เสียงชนีสมชายของหลวงพ่อร้องบอกเหตุนะสมชายเป็นอุตุประจำวัดถ้าหาว่าจะหนาวสมชายก็จะต้องประกาศจะหนาวแล้วนานลงพ่อจะหนาวแล้วนะหลวงพ่อหนาจริงๆนะแต่บัดนี้พอมันหยุดหนาวนะมันหนาวมาหลายวันเพอาหนาวหลายวัน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 ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีและก็ผู้ติดตามพลทา่าบพันตำรวจเอกชัยพงศ์ทรงพลนภณภจรรองผู้กำกับรอง ผ, ผู้กำกับการผู้บังคับการอหลวงพ่อเรียกไม่ถูกนะลูกหลานนะถ้าเรียกไม่ถูกต้องบอกหลวงพ่อนะ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 เมื่อเมื่อเราเข้าสู่ปร ะ, ประชาคมอาเซียนเนี่ยหลวงพ่อว่าบุคลากรของพวกเราเนี่ยพร้อมหรือยังเนี่ยจุดนี้แหละถาาว่าพวกเราบุคลากรของเราไม่พร้อมเน่ยถ้าเข้าเราเข้าไปแล้วก็เสียเปรียบเสียเปรียบถึงอย่างไรกันคล้ายๆกับว่าเขามาเกาะมาถ่วงเราก็ตุปบตูปเปเพิดจะทําให้ประเทศชาติ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 มาด้วยกันทุกคนแล้วรู้ได้ว่าอันไหนดีอันไหนชั่วในเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วเมื่อกมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอักกตังตุกกตังเชื่อยโยปัตซาตปติตุกกตังกมชั่วอย่าทำ เ, เลยดีกว่าเมื่อทำกมชั่วกมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อน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 อย่างที่ท่านโยมผู้การพาลูกน้องมาเมื่อคืนเนี่ยนะมาอบรมใจคือหลวงพ่อให้นั่งภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกทำใจให้เน่งเมื่อใจหน่งใจสงบแล้วนะ่ะจะมองดูได้ใจของเราเนี่ยนึกคิดเรื่องอะไรนะจะปรับปรุงแก้ไขใจของตนเองได้ถ้าคนมีสติสำปชัญญะในจุดนั้นแต่ถ้าว่าไม่ได้ดูใจของตนเองไม่รู้ว่าใจคืออะไร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 มันจะบอกในจอขึ้นมาถ้ามันผิดปกตินะอแต่รถมันรู้ไหมมันไม่รู้แต่โซเโอร์นี่รู้ฮะอูโฟร์อ่านดูแล้วเออรถคันนี้มันเอน้ํามันมันจะไปไม่ได้ไกลน้ำมันมันแห้งน้ํามันเครื่องมันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เราก็ดูที่จอของมันนี้ก็เหมือนกันเอใจของเราเมื่อเข้ามาสู่ร่างกายเเอราก็รู้ได้ว่าร่างกายของเรามีอะไรน่ะ